มื่อนี่นน 7, นก็วันที่วันที่สิบเจ็ดน้องวันที่สิบเจ็ดสุลาคมสองพันหรอยสี่สิบเก้าก็ยังอยู่ในเขตเขตแะถิ่นยังอยู่ในเขตบุญเวเด้อเขานี่ถ้ำบุญมีเขตบุญโอกาสบุญนี่บุญกัถินอวัดใหก็ไปถอดนงนเพิ่นถังกะละ วิธีการเสี้ยวบุญย่งาง ม, มีบุญเกิดขึ้มาเข้าไปไปเจ็บบุญเช่นกันละ่ะการไปเจ็บเอาบุญนี่มันก็นมีอยู่ได้วี่พี่จังเข้ามีมีวิงไปสอนเป็สิทกันสอนบ่เป็นกั บ, บว่าใดการเข้าไปทำบุญใส่เอาใจเรืองใหตั้งอกตั้งใจนองใจให้มันเป็นบุญ มือแงมือเท้าเอาขัดอาหารเอาเอาปลาอาหารไปท่านนี่ละแม่ใจห้อนอมไปเบิก บ, บานยินดียินดีเบิก บ, บานโอ้อันของอยูเครืองอยู่ของพบกันเครื่องกินจิตขน่อยเอามาหนึ่งเป็นเครื่องเลี้ยงจิตชีวิตของผู้าอาจารย์พระเจ้าพระสง์ ให้ดำลงไปได้ดิอันเพิ่นดำลงไปได้แล้วเพิ่นกสิยางจงกมรมเพิ่นกสินั่งภาวนาเพิ่นกสิศึกษ า, าก็ทธรรมดไเพิ่นกสิรักษาพระศาสนาไปกสิเริ่ ม, มุงเรื่องพระศาสนาประาามานโค้งจต็มเส็จโอ้ได้บุญหลายเพิ่นคือจึงสิใ่ใจเพรามันเบิกบานก็วคือว่าเขาคุดพาสน า, าน่ย นี่ข้อมสําคัญหลายนี่ข้อมทุกอย่างที่เท่านี้แหละเกิดมาแล้วพขาจะอยู่ตั้มบายตํามเดียวนี้นี่ยไย้ญญอนพระพุทธศาสนานี่ยแหละเ <c oughs> ข้าจะเป็นเข้าจะอยู่ไต่โฮมบุญพระพุทธศาสนาหลายภพหลายกาศมาแล้วกาศนี้เกิดมาไปย่างจะอยู่ไต่โฮมพุทธศาสนาอีกโฮมขย็นนี่ขันพุทธิเขาบริยูทุกอย่างที่ เขาเกิดมากขึ้นนี่แหละต้องหันบุหมบุญอยู่ที่ห้องหอกนี่หลายประเทศทัาสิเบิงทรัพย์ทัศกษีเห็นนี่หรอกประเทศบางประเทศเนี่ย้นทุกข์ยากล้ากก้นยู่ติกินตัวบุญีมันแข็งมันแรงบุญนี่เนี่ยยูติกินทุกข์ยากนั่นแหละเช่นรอยฟองยางเป็นอย่างนีก็มิลูกเล็กเล็กแดงเล็กหน่อยเล็กเล็กโอ้ยรอยความนั้น โอ้ยจอยหลายอีกเป็นจระรดตนเป็นสิญยกแขนมาเลยแมงวันก็บบได้แหล่งนงอ่าอ่าะกรมี่นี่เขาเป็นเขาก็เกิด ม, เกเกดมากเา่าเกิดมากแต่ยยูดีสบายมีเขาหนามซาำฟ้ากินสบายดีในบ้านเท่าปวดบวชทุกบวข่ากันบวตีกันบวเดือดบ่ชห่อนอยู่โอ้่นั่นดีหลายอีลี น, นี่แล้วละ่ะ โอกาสแห่เข้าดีเดชบุญนะแต่นี่ตอฮะเนี่อันว่าเกิดมาแล้วเดยมีเข่าอยู่เข่ามีอยู่มีกินมีกัดหกว่าดอกแต่ว่าสำคัญเนี่ยมีมองมีที่แห่เข้าด้เดชบุญมีโอกาสแห่เข้าด้เดชบุญเนี่ยมันติดตอไปทั้งหนาวอันกินเขากินหน้ามีมองเพื่อนอยู่มีส่งมีสินมีผานุ่งมันทางตายเข้าแจ้มีที่ชหอดมือตายนี่คือคือดอก แต่ว่ามีมองสีให้เข้าถ้าบุญหนึ่งบุญมันตรงไปศาสนามีเท่ากับมีนี่ชี่สิเห็ุบุญหนึงยังดีแหละมันดียังดีแหละก่อสิเดนยังดีเนี่ยมันย้อนบุญเก่าด้วย ก, ก่อสิเดนมาเกิดจังดีคนก็อยากได้ดีทั้งเมงื่อขณะมันหักบวัวได้อดหยั่งครอบว้านเขาบริเทดไว้เก่าเขบาบริเทศอ่อนเพขพาบริเทศาสนามาเก่า อันเท่าเมืนอสื่ออ่อนเท่าได้ดเห็ดได็ดำบุญมะเกลเพราะฉะนั้มาเกิดมีมานี่เข้าเห็ดดื่มดื่มบุญวิธีดื่มบุญนี่แต่จังว้าวนี่แหละไปเห็ดยังทำบุญถ้ำชาบารักษาสี้นบมด ย, อยงสีน่าพอออกใจรักษานล้นเด้อพอว่าใจน่หละมันเป็นมันเป็นแนวขังบุญคือจังเท้ามีกระเป๋าสะาร น, นี่นกันไปหาเงินมาได้แล้วใส่กระเป๋าตะการใส่กระเป๋ า, า, าเงินไว้ ใจ น, นู้นี่ยือยังเป็นกับเป๋เงินอยู่ยหลนั่าไปหาบุญไม่ได้เลยรหรเอาใจในใจประเทศนั้งประกาศให้ใจนันเบิกบานดีใจน้ำโลกนั่นถึงเป็นบุญนี่ที่จรินั่นแหละเราบุญมีหลายหลายอย่างเด้วบุวิธีเสี่ยามีหลายแนลให้ท่านแต่เมนให้ท่านท้องท่านอย่างทานเขา่าปลาอาหารท่านเครื่องหงุหงนุมของอม นี่รังพุ่งเนี่ยรห้านเตียงร่งพยาบาลอย่างดีเลยมีนยังเข้าเจ็บไข่เด้อยเข้าคึกเห็นว่านี่ผู้เจ็บผู้ไข่ผู้ป่วยให้เขาได้มีความสะดวกสบายในโร่งพยาบาลยังเข้าท้านเป็นเงื่อนยังสิเอาไปท่านให้ร่งพยาบาลเขาไปหาซื้ออยู่ซื้อยามาเป็นท่าเป็นท่าหมอเป็นท่าพยาบาลมาดูแรลรักษายังดี บุญอันนี้แหละมันทรงในห้องกันตอยู่ใส่ให้องตัวปุบปุยยากปวเดือดร้อนไขโดยเฉพาะไข้หลายเป็นโรคเป็นหลายขันมันเจ็บมันป่วยมากกว่านีู้เบิงมีคูมาซ่ามีคูรักษาห้องขันนี้มั น, น, ม, นมันเป็นบุญอย่างแต่นัะตั้งใจเอาโอ้เข้าในถ้ำบุญอันนี้เดยร่วมเป็นคารุ่งพยาบาลไปที่อีสี ใจข้าเ ja. บิดบานว่าเข้าได้ซอยเดือดซอยส้นปวยอันซอยส้นปวยนี่มันจะได้บุญหลายเนี่ยพว่าเขากําล้งเดือดร้อนเดือดร้อนอันนั hmm? ้นไปซอยเขานี่โว้โมนี่วางเพิ่นเกข้อดีเดืเพิ่นเข้าจริมันดีอ่แค่คือกำเข้าอยู่แล้วเข้ากาลังเดือดกาลังพอนกำลังเจ็บกำลังปวดเป็นน้นม่จมนิ้นมาซอยดีดีหลาย นั่นแหละมันเกิดบุญเกิดบุญในเขาเกิดใจเขาดีเกิดบุญในเขานําเกิดบุญในห้องน้าโอ้เจ้าเป็นเจ้าติดต้อยเจ้าน้อยกันโดยเฉพาะทำบุญกับอขอสงในเสตเียงในถ้ำบุญถ้ำบุญถวายบริจาคเสียงให้ขอสงอาพาธคุณ พระเจ้าพระสงฆ์เบ่มีที่เพิ่มดอกแม่าอื่นเนี่ยเดนก็วบ่มีไปะจายเขาดอกเฮ้ยเขาก็ยังมีเสียงคนนั่งนันงป่วยนอนเจ็บพระเจ้าพระสงก็เจ็บใค้เลยป่วยคือเฮานี่แหะเนี่ยทันไปป่วยแล้วจะมีมองให้รับไาให้ได้รับพ้นสะดวกสบายจริงๆพระเจ้าพระสงฆ์คนถึงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบอไปแยงไปทิ้งไปบอกไปแย่งไปทิ้งไปหยาบไปแย่งผู้ใด เ่อไปคิดผู้ใดอยนี้มันเป็นเป็นคนบุญอยู่แล้วให้เข้ารักษาคนบุญแทงใดบุญหลา ย, ยานั่นแหละใจสิดได้ใจคิตดตามใจเข้หาหฮมเขาเย็นใจเข้าเบิกบ้านเราไปที่เป็นบุญอา่านี่งลักการเอาบุญเป็นมันเห็นมันเอาได้ได้สัญญาแล้วไปจากพันเอกเสยภาวนาให้พันใจดีแล้วให้นั่งเนอะนั่งยืนนิดนิด ชอบมุงใจจะ็บของโอ้ใจเขาอยู่เมียดเมีดยดเหนกันะอันใจอยู่เมิยดเแล้วมันดีใจดีนั่นแหละดีกว่าเกา่าว่ะเนี่ยเป็นบุญกว่าเกา่าพมเย็นกว่าเกานะ่าเป็นบุญธาตุินภาวนานีา่ภาวนาเนี่เป็น่อดเห็ุอะไรก็ยากว่ต้องไปซื้อว่ต้องไปเอาน้าแข็งมาใช้ว่าต้องไปหาอินน้นำตาลมาข้นมาใช้อีกเลมันเป็นมันดีหลนั่นแหละเขานั่ง ภาวานาเนี่ยยามใดโคบางเหตุแหท่านเตุท่านแล้วรักษาส้นรักษานแล้วภาวานาครับที่ใดบุญหลายเกิดมาสาตในกาเทภาวานาเราได้ละกันเันบไดภาวานาแต่มื่อโคบมันบยงใจใจไปแล้วโอยมันจะบกุ้มขึ้นแล้วนะท่านน่ะวิธีําบุญเอาระยะนี่เป็นระยะบุญ บุญใหญ่ก็ไม่บุญกระถินมันเขามีกระถินอยู่ใสแหลง่ลงเปยโม่น้ำฝนก็คันกนย่มกระถินไปแล้วมันมันบมเป็นกระถินและนี่ยีดอกดุมอึนจะฮห้เอายีดอกแต่ว่าคันหอดย่มกระถิ่นใหญ่จะ ไ, ไ, ไปเก็บเอาเนว่ยดีนี่เนนะี่ยบาปนะเจ้าพวดีจะไปเอามากนะ น, นี่แล้น